อาว er, ทุกวันนี้เรามีความสุขอยู่แล้วทุกวันนี้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วถ้าคุณไม่เจ็บ <Lebanon. S 2> ไม่ป่วยก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือความสุขแล้วที่อาจจะไม่ไต้ตันหนักลองคุณเจ็บป่วยดูสิพรุ่งนี้มรืนเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้ตอนที่ฉันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดฟันไม่ปวดท้องเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วถ้าคุณไม่หิวท้องคุณอิ่มพึงตันหนักว่านั่นแหละคือความสุขแล้ว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 หรือไม่ไม่เป็นมัวเสียใจกับสิ่งที่เราเสียไปความสุขจะเป็นเรื่องง่ายมีพู้หญิงคนหนึงแกโดนโกงไป60ล้านนะแกก็เสียใจนะเสียใจมากแต่แก้เสียใจได้แค่สามองสาวันหลังจากนั้นแกก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าเธอทำไมถึงยิ้มได้สามีเธอยังเศร้าอยู่เลยทั้งเศร้าทั้งแค้นที่ถูกโกงเธอก็ให้ทิพยให้คําให้ผลว่าก็ฉัน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 ไปเป็นดีเจเคลื่อนวิยีความสุขเมื่อหลายปีก่อนมีคนถามเพื่อเธอมีความสุขได้อย่างไรเธอบอกว่าคำตอบเธอง่ายๆถึงแม้เลือกฉันจะแย่แต่ฉันมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันมีจมูกดมกลิ่นหอมฉันมีหูฟังเสียงไพเลาะได้ปากฉันกินของอะไรก็อร่อยเดินเทือดไปไหนฉันก็เดินได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วคือเธอเธอเธ อ, เธอมองเนี่ยเธอคิดเหมือนคน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 ไม่ว่าคุณเจออะไรเนี่ยคุณก็สามารถจะยิ้มได้คุณก็สามารถจะมีความสุขได้สุขได้ในทุกที่สุขได้ในทุกสถานการณ์แม้จะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายคุณก็ยังสุขได้คุณก็ยิ้มได้เพราะคุณรู้จักมองในแง่บวกเมองเกีย้ตอเพูดมองในแง่บวกคือมองมองเห็นแต่สิ่งที่มีไม่มองเห็นสิ่งที่ไม่มีหรือไม่สนใจสิ่งที่ไม่มีมองเห็นสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ไม่มองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดี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 ที่ไม่ปลอดภัยก็คือเกิดการกระแทกจนกระทั่งพิการไปครึ่งตัวคือพิการตั้งแต่เอวลงไปเพื่อนมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลายคนก็เศร้ามีบางคนก็ตัดพคอว่าทําไมทําความดีถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะคำตัดพคอแบบนี้เราคงได้ยินบ่อยนะทาไมทําความดีต้องมาเจอเหตุแบบนี้บางทีไปทอดผ้าป่าทอดกรถินแล้วเกิดอุบัติเหตุ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 ยังรอดมาได้ต้องแค่นี้นะเพราะทําความดีถ้าไม่ทําความดีป่า น, นี้ไม่เหลือแล้วนะเธอมองเขามองอีกแบบหนึ่งเลยนะคนหนึงมองว่าทําไมทําความดีถึงพิการแต่เขามองว่าเพราะทำความดีเนี่ยถึงรอดมาได้อย่างเ น, นะนี้นี่เรี่องนี่เรว่าเป็นการมองแง่บวกเพราะเห็นว่ามคุณสามารถจะมีความสุขได้ทุกที่เป็นสุขในทุกสถานการณ์ถ้าว่าคุณสามารถจะมองในมุมนี้บา้างได้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 เธอก็ได้สตินะก็เลยทําตามคำแนะนำของชายชาราลาเธอก็เลือกช่วยเด็กยากจนเพราะว่าเด็กยากจนเนี่ยชะตาก็เมือนเธอเซื้อหนังสือหนังสือให้อ่านให้เล่มหนึ่งเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่รับการอ่านมากแต่คนยากจนเนี่ยนกะ็จะจะไม่มีปัญญาซื้อหนังสือตอนหลังซื้อไม่พอน ะ, อะสอนให้สอนด้วยสอนให้อ่านออกเขียนได้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 กรรมมันก็ทุกข์แต่ก็ยกอมไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเราพระคับปงหงมความโกรธเอาไว้ความพยาบานเนี่ยเรากับธนุถนอมมันแล้วเราก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความยึด ต, นะติดอาจจะเป็นคำพูดการกระทาหรือเหตุการณ์เช่นความสูญเสียบางคนเสียเงินไปแล้วนะแทนที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปอ้าวหาใหม่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 โไม่ยอมกินไม่ยอมนอนปล่อยให้ร่างกายในผายผอมซึมอันนี้เราว่ารักเงินมากกว่ารักตัวเองแล้วก็ไม่ฉลาดเลยเพราะว่าแทนที่จะเสียแต่เงินใจก็เสียสุขภาพก็เสียงานก็เสียไม่มีเรี่ยวแรงทํา ง, งานสามัมพัธภาพก็เสียเพราะว่าไม่อยากคุยกับใครใครมาคุยแก็ก็ราคาญตวาดใส่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 ไม่ใช่ในเวลาที่อยู่ในสิ่งเวดล้อมที่สบายแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเราก็มีความสุขได้ออคุณไม่ใช้ยได้พูดถึงธรรมยถ า, านะธรรมยาราซึ่งพากันเดิน 7, เจ็ดเคืน8วันแล้วก็เดินนะเดินกลางแดดนะบางคนก็ถอดรองเท้าหลายคนก็ไม่มีอะไรคลุมหัวใหญ่ก็ร้อนนะเดินทันวาเนี่ยอีสานมันร้อนทีเดียวแต่หลายคนเนี่ยแม้จะเหนื่อยนะแต่ว่าใจใจเป็นใจเป็นสุข